50 languages. 65สิบ <gösterges> ห mm -hmm. ้า Pat. การปฏิเสธสองนกราต์ม <brake> ัวากดแหวนวงนี้แพงไหมคะเกยงกุิแมงกี้เไม่ค่ะ แหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโรดีนี่อิสดีคีม่าซิฟฟ์ซอยยูโรแฮแต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะแต่มเรคอลซิฟฟปัญจายูโรฮีฮันคุณเสร็จแล้วใช่ไหมคิตัฮาด้าคำมุกกยร์ฮไม่ยังไม่เสร็จค่ะใน แต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะห र ือ र, र ा खत्म ह ोฮอ वाला है คุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะ क ि त ทูฮอร์ซูปเลाนาชากงคือทูฮอร์ซูปเล่นาชากงไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะ नहीं เมนูฮอร์ไม่ใช่ด द ा แต่ขอไอศครีมอีกถ้วยค่ะ पर एक k h o o स ice cream ชายดีหคุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะคि त ูอิทธิ์เเค่ค่ายาลาโต้เรอะเรียห์เหรอคีตูอยาารยไม่ค่ะเพิ่งเดือนเดียว न, न ह ीอ अ จา स ि์สิร क ह ิคหัวาห แต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้ว पर मैं काफी ल ो क ा็นคนที่ฉันรู้จักมากคุณจะขับรถกลับบ้านนชคุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะคุ त จ क ขับรถกลับा้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะคุณจกานชไม่คา่ีหคะุณจะขับรถกับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไปมอั้นเสคะการ์่นลาทิตย์ न นี้ใช่ไหมคะคุณจะขับรถกลัา แต่วันอาทิตย์ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะ ऐतवारनु व ाา स ที่กลับมาลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะ कितेरी ब ेเी็นสา हो च ु क ุ है ไม่ใช่ค่ะลูกดิฉันเพิ่งอายุสิบเจ็ดปี न ี่โอ้ซีร์ฟाตाราซั